สิขาบทที่7เรื่องพระชัพพะคี623สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัร ธ, ธีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพะคีชันสลัดมือพระบัญญัติเพิ่งทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ชันสลัดมือเรื่องพระชัพพะคีจบ สิกขาบทวิพังพิสูจไม่พึงฉันสลัดมือพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันสลัดมือต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นพิสูจไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิสูจผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิสูจสลัดมือทิ้งเศษอาหาร6กพิสูจผู้มีเหตุขัดข้อง7จพิสูุวิกลจริต8ปพิสูุต้นบัญญัติสิกขาบทที่7 จบ